เรื่องมายาสนิมในใจหมายเลข9ก้าคำว่ามายานี้บางทีออกเสียงเป็นมันยาความหมายอย่างเดียวกันแล้วแต่ใครจะถนัดออกเสียงอย่างไรแต่ในภาษาบาลีจริงๆใช้คำว่ามายาเป็นพื้นมายาคำนี้มีความหมายสามอย่าง นี่ครัพเจ้าสรุปเอาเองจากการศึกษาตำราทางศาสนาคือหนึ่งมายาหมายถึงความมีสเสน่ห์ 2. มายาหมายถึงกิริยาบอกความคิดและ 3. มายาหมายถึงเล่เหลี่ยมนี่เราพิจารณาความหมายของภาษาเสียก่อนยังไม่พูดถึงว่ายังไหนดีหรือเสียมายาในข้อแรก คือหมายถึงเล่อันน่ารักซึ่งมีอยู่ในตัวคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีเป็นของเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่เราพอจะสังเกตได้ผู้หญิงบางคนมีสเสน่ห์เป็นสมบัติเพียงแต่หน้าตาก็รู้สึกรักตัวสเสน่ห์นี้บางทีก็เรียกว่ามายาท่านที่ผ่านการศึกษาพุทธประวัติมาแล้ว คงจะจำพระนามของพระพุทธมารดาได้คือพระนามว่ามหามายาบางทีก็เรียกเต็มว่าพระนางเจ้าสิริมหามายาคำว่ามหามายาในที่นี้หมายถึงความสวยงามมีเสน่ห์มากถ้าเป็นชื่อของผู้หญิงไทยก็น่าจะตรงกับชื่อว่าทรงเสน่ห์หรือชื่ออื่นที่คล้ายๆกันนี้ มายาอย่างนี้เป็นรูปสมบัติเป็นของที่ธรรมชาติปรุงแต่งตัวเองไม่ได้แท้ทำนี่ความหมายหนึ่งมายาในหมายเลขสองหมายถึงกิริยาวาจาบางอย่างที่แสดงออกจากจิตเมื่อจิตเกิดความนึกคิดในบางอย่างเขาจะแสดงกิริยาท่าทางหรือวาจาออกมาภายนอกให้คนอื่นรู้อย่างเช่นรู้สึกอาย แล้วหลบสายตารู้สึกชอบแล้วค้อนรู้สึกเสียใจแล้วร้องไห้รู้สึกกลุ้มใจแล้วถอนหายใจรู้สึกชื่นใจแล้วยิ้มและอื่นๆการหลบสายตาการค้อนการร้องไห้การถอนหายใจและการยิ้มเป็นการแสดงถึงความรู้สึกในใจเรียกว่ามายาก็ได้ กิริยานเป็นมายาชนิดนี้มักจะแสดงออกมาเองโดยที่ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนาจะแสดงจะเรียกว่ากิริยานอกบังคับของจิตก็ได้และเมื่อแสดงกิริยาดังนี้ออกมาแล้วก็ไม่มีผลเสียหายแก่คนอื่นเท่าไหร่นักบางทีก็ทําให้คนอื่นเกิดสงสารบางทีก็ทําให้เขารักได้บ้างแต่บางทีก็ทําให้คนทั้งหลายรู้สึกหม่นไส้ก็มี ไม่เห็นมีฤทธิเดชอะไรมากไปกว่านี้มายาประเภทนี้จึงไม่ถึงขั้นเป็นกิเลสไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดพูดถึงมายาประเภทนี้นึกถึงเรื่องมายาของหญิงพระพุทธโคสาจารย์ท่านรจนาไว้ในคำพีพระธรรมบทว่าผู้หญิงย่อมจะแสดงให้ผู้ชายรู้ว่าตัวรักด้วยมายา4ี่สิบอย่าง ามาเขียนไว้ในที่นี้ด้วยเห็นจะดีทีแรกก็คิดว่ามันเป็นวิชานอกเรื่องคนใจต่ำเขาพูดกันแต่พอมานึกอีกทีว่าเวลานี้เรากำลังพูดถึงเรื่องมายาและกำลังจะชี้บอกท่านผู้อ่านอยู่แล้วว่ามายาอย่างไหนเป็นกิเลสอย่างไหนไม่เป็นการพูดจะให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะต้องต้อนเอามายาทั้งหมดมาเรียงกันให้ดูด้วยเอามาให้ครบแล้วจึงชี้ลงไปว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่จะต้องพูดถึงมายาหญิงในที่นี้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเรื่องมายาหญิงเป็นเรื่องลามกคนใจต่ำพูดกันนั้นความจริงไม่ใช่คำภีธรรมบทนั้นเป็นคำพีชั้นสูงของทางพระพุทธศาสนา พระพุทธโคสาจารย์ก็เป็นพระมหาเถระมีใจสูงส่งท่านยังจารึกมายาหญิงลงไว้แล้วในหนังสือนี้ทําไมข้าพเจ้าจะเขียนลงไม่ได้จึงตกลงใจเขียนสู่กันอ่านดีกว่าใครจะอ่านเป็นความรู้อ่านเพื่อวิจารณ์หรืออ่านให้ตาสว่างเล่นๆก็แล้วแต่จะอ่านตอนอิทธิมายาสี่สิบ เมื่อผู้หญิงมีความกำนัดรักใคร่แล้วย่อมแสดงให้บุรุษทราบด้วยมายา40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ทำสะบัดสะบิงในวงเล็บวิชัมปติ 2. ก้มหน้าในวงเล็บวินามติ 3. กรีดกรายในวงเล็บวิรัสติ 4. ชมดชม้อย ในวงเล็บวิลัชติ 5. แค่เล็บด้วยเล็บ 6. เอาเท้าเหยียบกัน 7. ดขีดเขียนพื้น 8. ทํทำเป็นชูเด็กขึ้น 9. ทําทำเป็นวางเด็กลง 10. เล่นอะไรด้วยตนเอง 11. เอาอะไรให้เด็กเล่น 12. จูบเด็ก13บ ให้เด็กจูบ 14. กินของเสียเอง 15. เอาของให้เด็กกิน 16. ยื่นของให้เด็ก 17. ขอของเด็กคืน 18. เลียนเด็กในวงเล็บกระตะมนุกโรติ 19. พูดดังๆ20พูดค่อยๆย1 พูดเปิดโปงยี่สิบสอ ง, ง 22, พูดเป็นปริศนายี่สิบสามร้องเพลงร้องไห้เล่นดนตรีและอื่นๆยี่สิบสี่กระสิกกระซีในวงเล็บชักคติยี่สิบห้ามองคือค้อนในวงเล็บเปกคติยี่สิบหกสายสายเอลยี่สิบเจ็ด ขยับของควรสงวนยี่สทางขายี่ิเกหุบขาส0สแสดงถันส1อดอ่ารักแร้32สองเปิดสะดือส3สาขยิบตาส4ยักคิว้วสามสบห้าเมมริมฝีปาก36แลบลิ้น 37. แก้ผ้าออก 38. นุ่งผ้าเข้า 39. สยายผมออก 40. ม้วนผมเข้าอาการเหล่านี้เป็นมายาและเป็นมายาที่แสดงออกจากความรู้สึกของจิตโดยธรรมดาเกือบจะพูดว่าเป็นธรรมชาติก็ได้คือผู้ทำไม่ได้จงใจทำแต่อาการเหล่านี้แสดงออกไปเอง มายาในหมายเลขสหมายถึงเลขเหลี่ยมเป็นการจงใจแสดงเลขเพื่อพลังความชั่วช้าของตนเองให้คนอื่นเข้าใจผิดมายาประเภทนี้ที่เป็นกิเลสและมายาที่เป็นอุปกิเลสลำดับ9ก็หมายถึงมายาประเภทนี้รายละเอียดค่อยแจงกันต่อไปในชั้นนี้ขอขระหมดความลงไว้ชั้นหนึ่งก่อนว่า คำว่ามายาหรือมานยาในภาษาทางศาสนานั้นมีที่ใช้ในสความหมายคือ 1. หมายถึงเสน่ห์ในตัวคน 2. หมายถึงอาการแสดงออกของจิตและ 3. หมายถึงเลขใน3อย่างนี้มายาหมายเลขหนึ่งสองไม่เป็นกิเลสไม่เป็นบาปเป็นกรรมแก่ผู้ที่มีส่วนมายาหมายเลข3ามเป็นกิเลสแท้ และมายาในอุปกิเลส16ก็หมายถึงมายาประเภทนี้คือมายาเล่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นคํญญาบรรยายเรื่องมายาตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะพูดถึงมายาที่เป็นอุปกิเลสนี้เท่านั้นขอให้ท่านผู้อ่านลืมมายาประเภทอื่นเสียทั้งสิน้นมาคิดเฉพาะมายาที่เป็นอุปกิเลสแต่อย่างเดียวตอน นกระยางเจ้าเลมายาแปลตามตัวว่าเล่คนมีมายาก็คือคนเจ้าเลคนประเภทนี้ถ้าเรียกอย่างใช้สับแสงให้ภูมิฐานหน่อยเรียกว่ามายากอนคนแสดงเล่ถ้าจะซักต่อเข้าไปอีกว่าเล่คืออะไรก็เห็นจะหาคำตอบให้ชัดๆยากสักหน่อยเล่คือการทำให้กลุ่มเครือ ทำให้ลึกลับทำให้มืดมนแสดงออกได้เป็นสองลักษณะคือกิริยาที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดเรียกว่าเล่กระเท่กิริยาที่ทำให้ผู้อื่นงุนงงเรียกว่าเล่เล่ที่เรียกว่าเล่กระเท่นนั้นหมายถึงอาการที่แท่งทำเพื่อปกปิดความชั่วร้ายของตนให้คนอื่นหลงผิด ท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงเรื่องนกกระยางเจ้าเล่ได้มันเป็นนิทานเก่าแก่มากและถูกนำออกเล่าสู่กันฟังอย่างซ้ำๆซักๆอยากจะทราบให้แน่แ่ว่าเลขกระเทืคือทำอย่างไรก็ให้นึกถึงพฤติการของนกกระยางตัวนั้นเรื่องย่อมีว่ามีบึงใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำท่าบริบูรณ์พวกกบเขียด ปูปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ในบึงเป็นเวลานานหลายบรรพบุรุษของเขามาแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดครั้นอยู่มาอยู่มาปีนั้นเกิดฝนแง้งปริมาณน้ำในบึงน้อยผิดสังเกตยิ่งพ อ, อย่างเข้าหน้าแง้งน้ำยิ่งงวดลงงวดลงพวกสัตว์ชาวบึงทั้งหลายต่างพากันวิตกกังวลว่า น้ำในบึงจะแห้งแน่ฝนปีใหม่ก็จะตกลงมาไม่ทันสัตว์น้ำจำพวกกบพวกปูก็เตรียมการอบพยพเข้ารูกันเป็นการใหญ่ลาบากอยู่มากก็พวกปลาพากันเดือดร้อนใจเป็นอันมากคนเรามีอยู่พวกหนึ่งที่ฉวยโอกาสหากินเมื่อคนอื่นเดือดร้อนในวงการของพวกสัตว์ก็เหมือนกัน ขณะที่ปลากำลังเกิดการระสำระสายอยู่นั้นก็มีนกกระยางแก่ตัวหนึ่งค่อนข้างจะปัญญาวัยอยากกินปลาแต่แทนที่จะเดินย่องย่องหาจับกินเยี่ยงนกกระยางทั้งหลายก็ออกอุบายเสียใหม่คือทำทีเป็นยืนหลับตาอยู่ริมขอบบึงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นข้างฝ่ายปลากำลังระสํำระ ส, สายเต็มที่ เวลาเผชิญเหตุการณ์ร้ายนั้นคนกับสัตว์ก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่คนเรายามีภัยพวกผู้ใหญ่ก็จะเก็บตัวพวกเด็กๆจะวิ่งพลานปลาก็เหมือนกันพวกปลาใหญ่ก็ไปประชุมกันที่น้ำลึกตอนกลางบึงพวกปลาเด็กๆ ก, ก็วิ่งพลานไปตามประษาเด็กพวกปลาเด็กๆนี่แหละเกิดไปเจอนกกระยางเจ้าเล่ห์เข้าจะไหนแต่ไร นกกระยางทั้งหลายมีแต่เดินย่องย่องเบิกตาโตมองหลอกแหลกหลอกแกจ้องแต่จะจับปลาแต่ไม่เห็นนกกระยางตัวนี้เข้าท่าทางสงบสงเง่ยมแปลกประหลาดก็ชวนกันเข้าไปดูใกล้ๆไปะห้พ้นนกกระยางตะเพิดฝูปลานกกระยางทำอะไรจ๊ะปลาตัวหนึ่งว่า บอกว่าไปให้พ้นไปพวกปลานี้กวนใจนักข้ากำลังต้องการจะพักผ่อนรู้ไหมนกจา๋าไปทำอะไรมาถึงได้เหน็ดเหนื่อยมากนักยังจะมีหน้ามาถามอีกก็เหนื่อยเพราะพวกแกละสิพอฝนแรงเข้าหน่อยก็บุ่นวายกันหมดข้าต้องไปช่วยอบพยพ ป, ปลาบึงโน้นไปไว้ทะเลสาบ ต้องลำเลียงทั้งกลางวันกลางคืนไม่เป็นอันได้หลับได้นอนไม่เป็นอันได้จำศีลภาวนาพวกแกไปให้พ้นไปนวกหูข้าประเดี๋ยวข้าจะรีบไปนกกระย่างโจเลผู้ตีหน้าเฉยตาจา๋าตาจะรีบไปไหนจ๊ะเออมันช่างกวนใจจริงๆข้าก็จะต้องรีบไปช่วยคนอบพยพ ป, ปลาบึงอื่น ต่อไปแล้วสิพวกเองรู้ไหมปีนี้นาคทะเลาะ ก, กันฝนถึงได้ตกน้อยแล้วปีหน้านาคจะสไตร์กันหมดไม่ยอมให้น้ำเลยน้ำในบึงจะแห้งหมดพวกแกพากันมัวเซ่ออยู่ได้ปลาที่อื่นเขาอพยพไปอยู่ทะเลสาบกันเกือบหมดแล้วนกประยางว่าแล้วก็ยืนหลับตาเฉยทำเป็นไม่อาไรใยดีกับฝูงปลา ข่าวอันนี้ก็เลื่องลือกันไปในวงสังคมปลาทั้งหลายทำให้ปลาตายใจว่านกกระยางตัวนั้นเป็นนกวิเศษตั้งอยู่ในศีลในธรรมผู้แทนปลาก็หาโอกาสขอเข้าพบปะเจราจากับนกกระยางประการสำคัญคือขอความช่วยเหลือจากนกกระยางในการลำเลียงปลาทางอากาศไปยังทะเลสาบฝ่ายนกกระยางก็แซงปฏิเสธว่าไม่มีเวลาบ้าง ว่าได้จะรับช่วยเหลือปลาเบิงอื่นไว้แล้วบ้างนักเข้าปลาทั้งหลายก็พากันเดินขบวนไปขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายนกกระยางก็ทำทีปฏิเสธแม้ว่าปลาทั้งหลายรับรองว่าถ้านกกระยางช่วยเหลือแล้วเมื่อถึงสมัยเลือกตั้งพยาสัตว์พวกปลาจะพร้อมใจกันสนับสนุนให้นกกระยางได้ครองตาแหน่งพญาสัตว์ นกกระยางก็ยังแซงทำอิดเอือนบอกว่าตนไม่พึงประสงค์จะเป็นใหญ่เป็นโตเวลานี้พอตัวแล้วพอเหินเดินอากาศก็ได้อยากจะจำศีลภาวนามากกว่าเมื่อทําการปฏิเสธจนปลาตายใจแล้วนกกระยางก็ ท, ทําทีเป็นอดสงสารปลาไม่ได้เลยรับจะช่วยลําเลียงปลาไปทะเลสาบตามที่ขอร้องครั้นแล้ว การลำเลียงก็เริ่มขึ้นปลาตัวที่1ถูกนกกระยางเหินฟ้าหายลับไปพอถึงกลางป่าเจอต้นไม้เหมาะๆนกกระยางก็เกาะหมกเข้าให้วางปลาลงที่กิ่งไม้แล้วจิกกินเป็นอาหารฝ่ายปลาในบึงก็เข้าคิวกันรอการลำเลียงนกกระยางเจ้าเล่กลับมารับปลาตัวที่สองสสี่ห้า และอื่นๆไปกินเป็นอาหารสบายใจพฤติการที่นกกระยางทำขึ้นเช่นทำเป็นหลับตาจำศีลภาวนาทำเป็นตะเพิดปลาเล็กปลาน้อยไม่ให้มาใกล้ทำเป็นปฏิเสธการขอร้องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเล่นกกระยางทั้งสิน้นเล่อย่างนี้เรียกว่าเล่กระเทนี่แหละเรื่องนกกระยางเจ้าเล่ ตอนมนุษย์เจ้าเล่มายาของคนเราก็มีอยู่หลายอย่างและหลายชั้นในภาษาไทยดูเหมือนจะตรงกับคำว่าลูกไม้ความหมายแสดงถึงกิริยาที่แท่งทำเพื่อปิดบังอำพรางความชั่วร้ายของตนพูดง่ายๆคือมีเจตนาจะหลอกลวงในตัวแต่ทำกิริยาอย่างอื่นปกปิดไว้เสียดังตัวอย่างเช่น คนขอทานบางคนอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ดีเหมือนคนธรรมดาแต่เห็นว่าคนร่างกายปกติมักจะขอทานไม่ได้ผลไม่ค่อยมีคนสงสารจึงแกล้งทำเป็นง่อยบางทีก็ทำเหมือนสันนิบาตกระตุกปากเบี้ยวมือไม้สั่นบางคนทำเป็นนอนหายใจขม่้นขมิอยู่บนกระดานแผ่นเดียว แสดงว่าที่มาขอทานนี้ก็มีคนเขาหามาจึงมาได้บางคนตัวไม่มีบาดแผลแต่ทำทีเอาผ้า พ, พันแผลพันตามแขนตามขา ท, ทําทีตนเป็นแผลใหญ่เรื้อรังขอทานหญิงบางคนไปขอยืมเด็กเขามาอุ้มแสดงว่าตัวมีลูกผูกคออยู่อาการที่ทำเพื่อปกปิดความจริง จะให้คนอื่นสงสารอย่างนี้เป็นมายาเห็นจะเรียกว่ามายาขอทานผู้เพศนักบวชบางรูปมีเจตนาลามกเป็นผู้แสวงลาบถ้าจะครองจีวรศึกษาสิกขาวินัยอย่างพระธรรมดาหรือบำเพ็ญภาวนาในสำนักที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็เกรงว่าลาบจะน้อยจึงแซงทำอาการกิริยาและข้อปฏิบัติ ให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนเป็นพระวิเศษหมจีวอนคร่ำคร่รุงรังมีบริขารน้อยๆปากฏดนั่งหลับตาภาวนาทำทีเป็นพูดน้อยสันโดษเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าท่านเป็นพระวิเศษคลึงครัดในศีขาวิในแล้วเอาของมาถวายมากๆอย่างนี้ก็มีบางองค์อุสาหอบเอาก้านทูปเก่าๆมาจากที่อื่น เอามาทำเป็นปักไว้ข้างกรดแล้วก็จุดทูบทิ้ไงไว้สักสองสดอกทำให้คนเห็นว่ามีคนมาขอตะกรุดหรือลงกระหม่อมกันมากท่านที่ยังไม่เคยสังเกตลองสังเกตดูส่วนมากพระประเภทนี้จะปักกรดตามข้างถนนในละแวกบ้านที่ใกล้ที่ชุมนุมชนซึ่งท่านเห็นว่าทำเลดี กริยาที่ทำเหล่านี้ก็เหมือนกับนกกระยางกินปลานั่นเองเป็นมายาอย่างนี้เรียกว่าทุดงมายาคนบางคนอยากให้คนอื่นเห็นว่าตนทำงานหนักทำงานมากจึงทำเป็นนั่งหอบถอนหายใจเกินสมควรเพื่อให้คนอื่นเห็นใจบางทีก็ทำเป็นวิ่งพลาดโผล่ท้งโน้นทีโผล่ทางนี้ที ตีหน้าขืึนกระหมดคิ้วเวลาเจ้านายมาเห็นแสดงว่ามีความหนักใจที่ต้องรับผิดชอบงานสำคัญอาการที่แสดงออกนี้เป็นมายาเห็นจะเรียกว่ามายาขึ้นเงินเดือนบางคนทำงานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างอยากลางานเวลาเดินเข้าไปหานายเพื่อขออนุญาตลาถึงมีอาการปวดศรีรษะนิดหน่อย ก็ทําเป็นผมเผายุ่งเหยิงเอามือกุ้มขมับหรือปวดท้องเพียงเล็กน้อยก็ทําเป็นเอามือกลุ้มท้องตัวโก่งทําเป็นว่าเจ็บปวดมากทนไม่ไหวแล้วเพื่อให้นายเห็นใจแล้วรีบอนุญาตให้ลาอาการกุ้มขมับและกดท้องโก่งตัวตลอดจนทําเสียงและห้อยอ้อยอิ่งผู้ชายบางคน จะปวดเล็กน้อยแต่อยากให้เห็นใจทำเป็นนอนหายใจระรวยกัดกรามบิดตัวทำท่าจะสิ้นใจให้ได้เด็กก็มีบางคนอยากเกโรงเรียนทำเป็นปวดท้องคลื่นไส้มันไม่ถึงกับอาเจียนก็ออกมือล้วงคอให้มันอว้วกอาการเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้นป่วยแบบนี้เรียกว่าโรคมายา สมัยก่อนนี้สัก20ปีมีคนนิยมการแสดงมายาอย่างหนึ่งขอโทษด้วยคือการร้องไห้ตามสถานีรถไฟเวลามีใครจะเดินทางไกลผู้ที่ไปส่งอยากจะให้ผู้จากไปเห็นว่าคนรักเขามากแล้วก็คิดถึงมากพอรถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานีก็ร้องไ ห, ไห้ตาแดงทำจมูกฟืดฟาด ฟ, ฟืด ฟ, ฟาด บางทีคนไปก็ทำการร้องไห้ไปด้วยเพื่อแสดงว่าการจากไปครั้งนี้สุดแสนจะอาวร์ทนไม่ไหวแล้วความจริงก็ไม่ใช่เดินทางไปฟากฟ้าฟากแผ่นดินที่ไหนบางคนไปแค่ลบบุรีพิษณุโลกหรือแค่เมืองโคราชนี่เองก็ร้องไห้กันเป็นเรื่องเป็นราวน่ารำคาญ แต่มันเป็นความนิยมของสมัยนั้นถ้าการเดินทางของใครมีคนร้องไห้มากมากก็ดูเหมือนจะเป็นเกียรติแก่ผู้นั้นมากบางคนทำการร้องไห้ได้คล่องแคล่วดีมากเพราะชำนาญส่วนมากต้องเป็นคนอายุปูนผู้ใหญ่แล้วขนาดคุณหญิงคุณนายร้องไห้คล่องแคล่วดีส่วนพวกส า, สาวสาวหัดใหม่บางทีก็ร้องไม่ออกยอมเสียมารยาทที่ไม่ร้อง เพียงเอาผ้าช็ดหน้าเช็ดในตาแก้เกอ้อไปก็มีนี่มันเรื่องเก่าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เลิกกันไปนานแล้วพูดมากทำให้คนเก่าจาั๊กจี้การร้องไห้ที่ว่านี้เป็นอาการมายาด้วยเห็นจะเรียกว่ามายาสําออยท่านผู้อ่านคงจะพอจับเขาได้แล้วว่ามายาคืออะไรอาการที่แสดงปรางความจริงไว้ข้างใน เจตนาของผู้แสดงมาอย่านั้นเขาตั้งจุดหมายไว้จุดหนึ่งคือจะให้อีกฝ่ายหนึ่งรักตัวสงสารตัวเห็นอกเห็นใจตัวนี่เป็นจุดหมายคล้ายๆกับขุดหลุมที่หมายไว้ที่นี้ทำอย่างไรคนอื่นเขาจึงจะมาตกหลุมของตัวล่ะก็แซงทรอาการต่างๆเป็นการดึงใจของคนที่ตนประสงค์มาลงหลุมกิริยาที่แซงทาขึ้นนั่นแหละ เรียกว่ามายาท่านผู้อ่านโปรดแยกความเข้าใจให้ดีด้วยการชักจูงคนอื่นให้ทำในทางดีบางทีต้องใช้วิธีการจูงใจเช่นพระพุทธองค์ต้องการสอนองคุลีมานโจรแต่ทำเป็นเสด็จหนีไปการกระทำอย่างนี้เป็นอุบายไม่ใช่มายาตอน โทษของมายามายาให้โทษอย่างไรพระจึงตรัสว่าเป็นอุปกคิเลสข้อนี้เห็นจะเป็นปัญหาที่ง่ายเพราะส่วนมากของท่านผู้อ่านเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมะแล้วทั้งนั้นจะดูว่ามายาทำให้เสียอย่างไรก็ดูสองจุดคือดูที่มายามันอยู่กับดูที่มายามันแสดงออก เสียหรือไม่เสียดูกันตรงนี้แล้วจะรู้ท่านคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่ามายามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตจิตที่มีมายาเป็นจิตที่เหลวไหลคดเคี้ยวอํมรางอ่อนเปียกยิ่งมีมายามากก็ยิ่งเลอะแหละมากและอ่อนแอมากให้สังเกตคนที่มีมายามากมักจะชอบเล่าเรื่องความทุกข์ยาก ความลำบากความเหน็ดเหนื่อยให้คนอื่นฟังถ้าเป็นพระไม่ว่าจะจาริกไปหัวเมืองไหนเรื่องที่นำมารายงานอุปชาอาจารย์ก็มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือเรื่องลำบากกับเรื่องสบายส่วนเรื่องการรายงานที่เป็นสาระจริงๆไม่ค่อยคำหนึ่งกระผมไปเมืองลมแม้อาหารบินปบาอุดมดีเหลือเกิน แล้วว่าเมืองเลยก็เต็มทีกับปีจังหันอัตคัดมากรวมความแล้วก็คือเรื่องกินหรือเรื่องความสุขสบายกับความยากลําบากทั้งสองข้อไม่ได้พูดเรื่องการงานไม่ได้พูดถึงการทําความเพียรภาวนาที่อุปชาอาจารย์อยากจะทราบเลยจิตที่มากด้วยมายานั้นแม้จะให้ทาน จะรักษาศีลจะบําเพ็ญภาวนาจะเอาบริสุทธิ์ผุดผ่องนักก็ไม่ได้เพราะใจมายาเป็นใจอ่อนแอคดเคี้ยวไม่กล้ า, ผาเผชิญความจริงจะให้ทานมายามันก็แทรกจะรักษาศีลมายามันก็แทรกจะภาวนามายามันก็แทรกแล้วเอาดีอะไรได้นี่แหละที่ว่ามายาเป็นอุปกิเลย มันทำให้จิตเศร้าหมองจนไม่เหมาะที่จะบรรลุสวรรค์นิพพานได้เลยดูตรงที่มายาแสดงออกก็ได้คือดูมารยาทหรือการงานของเขาคนที่มีมายาในใจมักจะทำอะไรอ้อมค้อไม่ตรงไปตรงมาและจิตใจอ่อนแอเห็นแก่ความยากลำบากถ้าเป็นข้าราชการถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองไหน หรือสั่งให้ไปทำงานอะไรมาก็อชอบแต่จะรายงานในเรื่องลำบากลำบนกับเรื่องสุขสบายออกหน้ากระผมทำงานคราวนี้ถึงกับอดตาลับขับตานอนกระผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอาหารการกินที่รัษฎรนำมาเลี้ยงดูนั้นมากมายเหลือเกินเป็นข้อความรายงานที่ฟุ่มเฟือยไปด้วยความสุขสบายและความยากลำบากของตัวเองทั้งนั้น งานการจริงๆค่อยว่าทีหลังและก็ไม่มีเท่าไหร่การงานและมารยาของคนเจ้ามายาเต็มไปด้วยเรื่องหยุมหยิมออซะจนน่ารำคาญทำงานกับคนเจ้ามายาเหมือนภายเรือในคลองคดยากอยู่ตัวอักษรที่เขียนตลกประดิษฐ์ประดอยโยกโยคดเขียวชวัดเฉวียนนั้น เหมาะที่จะเขียนเล่นๆ เ, เป็นครั้งคราวทีละสิบตัว20ตัวเท่านั้นถ้าเอาไปขีดเขียนเป็นเรื่องเป็นราวใช้เป็นการเป็นงานก็รำคาญในตาเสียเวลาอ่านเรื่องจริตจกกรานยาก็เหมือนกันทำกันในบทแสดงเล่นสนุกสนุกก็พอดูได้แต่ถ้าเอาไปปนเข้ากับการงานเป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นเรื่องรุ่มร่ามน่าราคาญนัก มันเสียอย่างนี้ตอนถอนมายาทราบแล้วว่ามายาเป็นสิ่งให้โทษแก่จิตใจและมารยาท ต, ตลอดจนการงานดังกล่าวแล้วผู้รักตัวควรพยายามถอนมายาออกจากใจเสียวิธีปฏิบัติคือบำเพ็ญสัจจะให้มากเริ่มแต่รักษาศีลข้อมุสาวาต เว้นจากการพูดเท็จและการทำเท็จแล้วประพฤติต่อคนอื่นด้วยความซื่อตรงและด้วยความจริงใจมายาจะลดน้อยลง